กราบบูชาพระตนตไัร <c oughs> กราบบูชาครูบาอาจารย์ั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความกรบมายังหลวงพ่อกมครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนศาสธรรมิกเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็อุบาสิกาทุกท่านนะก็นั่งกันตามปกตนะิพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นนะ สำหรับคนที่ยังรู้สึกงงเงียงงงเงียงเง้ยนะหรือเพราะกลุ่มที่เพิ่งมาใหม่อาจจะเ <c oughs> มื่อคืนอาจจะแปลกที่แปลกทินนะอาจารย์ยังนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่อิ่มนะก็พยายามปลุกตัวเองนะด้วยการยกมือก็ได้นะหรือว่ารูปเนื้อรูปตัวก็ได้นะให้มันตื่น นะเพื่อที่จะให้การฟังธรรมนะเกิดประโยชนนะ์สำหรับตัวเรานะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะของวัดป่าสุกโตนะ365วันนี้เราก็ทำวัดกันทุกวันนะถ้าไม่มีเรื่องที่ <c oughs> มีเหตุสำคัญอะไรนะตอนเช้าก็มาทำวัดกันตอนเย็นก็มาทำวัดกัน นะอย่างที่เคยได้กล่าวไว้แล้วการมาทำวัดสวดมนต์ก็เหมือนกับเป็นการที่เรามาเข้าเฝ้าพราะพุทธเจ้านะได้สาธยายมนตนะ์แล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกันนะได้มีโอกาสฝนะึกสมาธนะิจากการสวดมนต์ไปพร้อมกันพระนั้นมันมีประโยชน์นะหรือมีอนิสงส์มากนะในการมาทำวัดสวดมนตนะ์ซึ่งเป็นกิจวัตรประจาวันของ ผู้ที่อยู่ที่วัดป่าสุกโตก็ดีนะหรือผู้ที่มาวัดป่าสุกโตก็ดีอันะนี้เป็นสิ่งที่จะได้รับประโยชน์หลังจากเราได้สวดมนต์ทำวัดกันแล้วเนาะเราก็มาฟังสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์นะเพื่อที่จะได้ยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นนะมันมีคนโบราณนะเขา ก็ไม่ใช่คนโบราณนะนะเป็นภาษาเนะี่ภาษาไทยเนี่ยละมันมีคำอยู่สองคำคำว่าคนกับมนุษย์นะสองคำนี้น่าสนใจนะคำว่าคนเนี่ยคนนี้ไม่ใช่มนุษย์นะแต่มนุษย์ก็ไม่ใช่คนนะแต่คนสามารถพัฒนาให้เป็นมนุษย์นะฟังแล้วมันอาจจะงง ง, งหรือสับสนเอคนกับมนุษย์มันก็อันเดียวกันนี่ใช่ไหม จริงๆถ้าเราดูลักษณะอาการของคําว่าคนเนี่ยคนมันคือละคนปนกันไปหมดนะคนละคนปนกันไปหมดนะจะดีจะทั่วนะก็ละคนปนกันไปหมดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะเขาบอกว่าคนเสมอด้วยสัตว์อยูอยนอน่สี่อย่างกินนอนสืบพันธุ์ กลัวภยัยคนกษัตริย์เสมอกันสัตนวะ์มันก็กินนะมันก็นอนนะมันสืบพันธุ์แล้วก็มันกลัวภยัยถ้าเรายังมีเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็ไม่ต่างจากสัตว์ทั่วไปเท่าไหรนะ่เรียกว่ายังเป็นคนอยู่แล้วคนปนกันไปหมดนะดีบ้างชั่วบ้างนะเรียกว่าและคนปนเปนกันไป แ่เสนะ้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีคำที่เขาพูดกันนะหน้าตาเป็นคนแต่ใจอาจจะไม่ใช่ก็ได้เช่นเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอสุรกายเนาะอสุรกายคือมันโกรธนะมันไม่รู้ตัวนะหรือบางทีอยากได้ของคนน้นคนนี้นะหรือว่า อยากได้ไม่มีขีดจำกัดนะอย่างเช่นคนทําการค้าก็ดีคนทําการเมืองก็ดีคอร์รัปชันนะข้าราช ก, การคอร์รัปชันอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเปรตนะประเทศไทยเราเนี่ยไม่พัฒนาก็เปรตมันเยอะนะเปรตมันลงประเทศไทยเยอะมากหน้าตาเป็นคนนะแต่ว่าใจมั น, มนเป็นเปรตนะ ภาษาบาลีเขาเรียกอะไรมนุษเปตโตเนาะเปรตนะเป็นเปรตหรือบางทีเราอยู่เฉยๆนะบางทีคนเข้ามาพูดให้เราไม่พอใจบ้างนะหรือบางทีเราคิดเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นความผิดบ้างอะไรบ้างร้อนอกร้อนใจเขาเรียกว่าตกนรกนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัตว์นรกหน้าเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์นรก เออนี่คนโบราณเขาพูดนะอันนี้นะแต่บางคนนี่ชอบทำบุญสนทานนะชอบเผื่อแผ่นะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะก็เรียกว่าเป็นเทวดานะมนุษยเทโวนะเอออันนี้หน้าตาเป็นคนนะแต่ใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างพวกเราพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นมนุษยเทโวโอนะใช่ไหมโดยอาชีพของเราเนี่ยนะเป็นคนที่ อยากจะช่วยเหลือคนนะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อยากใจเขาหายนะก็ช่วยเหลือเขาเต็มที่นะเต็มกำลังความสามารถของเรานะหน้าตาเป็นคนนะแต่ว่าใจเป็นเทวดานะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราเป็นคนและเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราก็สามารถที่เป็นได้หลายอย่างแล้วแต่นะจิตใจที่มันจะเป็นไป อาจจะเป็นเปนก็ได้เป็นนสุลกายก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเทวดาก็ได้นะหรือว่าจะเป็นมนุษย์นะพระเนี่ยพอบวชใหมนะ่ในเข้าไปในโบสถเนี่ยมันจะมีการถามมนุษย์โศสิกุญเป็นมนุษย์หรือเปล่านะก็ต้องอามะพันเตใช่ไหมครับผมเป็นมนุษย์นี้คําว่ามนุษย์เนี่ยนะมันมันมาจาก คำสองคำคือคำว่ามณะแปบลบว่าใจนะกับอุศยะแปบลบว่าสูงนะรวมแล้วก็คือผู้มีใจสูงนะมนุษย์คือผู้มีใจสูงสูงจากอะไรนะสูงจากสัญชาตญาณสูงจากกิเลสตัณหาอุปทานเพราะนั้นถ้าเรายังยังอยู่ใต้อำนาจของความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะที่เป็นตัณหาเป็นอุปทาน ความยึดถือทิฏฐิมานะต่างๆนยังอยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์นะเรียกได้ธรรมดาธรรมาว่าคนนะคนละคนปนกันไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนเดี๋ยวใจดีเดี๋ยวใจร้ายนเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจนนี่เรียกว่าคนนะเพราะฉะนั้น คนเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตัวเองได้สามารถฝึกหัดได้เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นได้ประเสริฐเพราะการฝึกนะเราจะเรียกว่าพอเกิดมาเป็นมนุษย์เลยไม่ใช่นะมันต้องมีการฝึกฝนนะให้ใจเนี่ยอยู่เหนือจากกิเลสตัณหาอุปทานนะกิเลสก็คือสิ่งที่มาทำให้เร า, เาจิตใจเราเศร้าหมอง นะจิตใจเราไม่เป็นปกตินะตัณหาก็คือความทยานอยากนะที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะอุปทานก็คือความยึดถือนะในความคิดในความสุขสะดวกสบายนะปัจจุบันนี้ว่าไปแล้วสิ่งแวดล้อมนี่มันชวนให้เราสบายสะดวกนะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นทุกข์เท่าไหร่เราไม่ค่อยได้เห็นความจริงของชีวิตเท่าไหร่ เรามาอยู่วัดป่าสุกโตนี่จะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แต่สภาพแวดล้อมอันนี้แหละจะทำให้เราได้เห็นความจริงของตัวเราเองซึ่งจะช่วยในการยกจิตยกใจของเราจากคนสู่มนุษย์โดยเฉพาะย่างยิ่งที่เราได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นี้มหาสติปฐานสูตรเป็นหลักสูตรในการที่จะยกจิตยกใจของคนให้กลายเป็นมนุษย์ เรียกว่าหลักสูตรสู่ความเป็นมนุษย์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเมื่อวานนะกลุ่มของบุรีลมก็ได้ฝึกกันเต็มที่นะพระใหม่ก็ได้ทำกันเต็มที่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะกลุ่มเสาให้ก็มาเมื่อวานนะก็พอได้รับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็เริ่มฝึกปฏิบัติกันนะหลักสูตรนี้เนี่ย เรามากันสามวันห้าวันถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะเริ่มต้นในการที่จะเรียนรู้ที่จะยกจิตยกใจของเรานะให้มันสูงขึ้นนะจากสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองจริงๆสภาพจิตใจเดิมแท้ของเราเนี่ยมันผ่องใสนะแต่มาไปอ่านพระไตรปิฎกอกคัญยสูตรก็นะบอกการเกิดขึ้นมาของมนุษย์เราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเล่านะจริงเท็จยังไงก็เอาไปพิจารณา คนเล่าแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นอภัสราพรมก็คือมีแสงสว่างในตัวเองอาศัยอาหารคือปิติหล่อเลี้ยงไม่ได้กินอาหารแบบที่หยาบๆที่เรากินกั น, นแต่ตอนหลังนี่ม า, าได้กลิ่ น, นได้กลิ่นดิ น, นเวลาฝนตกเนี่ยกลิ่นดินมันหอมโชยขึ้นไปถึงบนสวรรค์พวกอภัสราภมก็ เหาะลงมานะก็มากินง่วนดินมากินดินนะคงจะเห็นว่าอย่างว่าเนาะกินแต่ปิติมันอาจจะจิตจืดชืดไปมั้งนะก็มาลองมากินดินรสชาติดูนเะ <laughs> พราะกินดินเข้าไปท่านั้นแหละนะกายที่ละเอียดก็หยาบแสงสว่างที่มีอยู่ในตัวก็ดับลงเหาะไม่ได้เลยนเขายังอยู่ในโลกนี่แหละนะก็สืบสายมาจนถึงปัจจุบันนี้ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะในในพระสูตรนะหมวดอคั ญ, ญสูตรตรงนี้มันได้ข้อคิดอันหนึ่งก็คือว่าแม้ว่านะในความแสงสว่างที่มันอาจจะดับไปแต่จริงๆในใจมันไม่ดับนะจิตใจในผ่องใสนะเขาบอบกว่าจิตนี้ประพัดสอนอยู่เศร้าหมองเพราะกิเลส จ, จอนมานะมันโมมัวซัวซั ว, ว, วเหมือนตอนนี้ถ้าใครง่วงนอนเนี่ยนะ ความง่วงเหงานอนมันมามันมาครอบงามใจที่สว่างสวยัยที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้นะที่มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องพยายามเนาะในการที่จะฝึกในการที่จะเรียนรู้นะการที่จะเรียนรู้เข้าไปถึงความสว่างสวัยของจิตใจนะมนุษย์ก็คือผู้มีใจสะอาดสว่างสงบนะซึ่งอาจาย์พุทธทาสได้ พูดเอาไว้ในเรื่องนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวเรานะแต่ว่าเราไม่เคยได้สนใจมันเราไปสนใจเรื่องข้างนอกซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้เครื่องมือที่เราจะมาเรียนรู้นะที่เราเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะก็คือการมาเริ่มต้นนะมารู้มาพิจารณาที่กายกายมันเคลื่อนมันไหวเนี่ยเรารู้ไหม เรานั่งเรารู้ไหมเรายกมือเรารู้ไหมรู้มันเคลื่อนมันไหวแคนนั้นเองนะอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้นเราเดินรู้ไหมยืนเดินนั่งนอนรู้ไหมส่วนใหญ่บางทีเนี่ยเราก็เดินไปตามความเคยชินนอนไปตามความเคยชินแต่เราไม่รู้ตัวหลักขณะที่เราเดินเนี่ยเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้วางแผนันนั้นวางแผนอันนี้ น, น, น, น, นะ อันนี้กรณีเดินอยู่คนเดียวนะถ้าเดินหลายคนนี่เดินกันไปคุยกันไปนะมันก็ไปอยู่ในเรื่องที่คุยนะมันไม่รู้หลักเราเดินอยู่นะตรงนี้เนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยนะมันก็จะไปอยู่กับเรื่องราวไปอยู่กับสิ่งข้างนอกนะเราไม่ได้มาพิจารณาตัวเราเองไม่ได้มาเห็นกายมันเคลื่อนมันไหวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยเกิดระบบการฝึกนะที่เรียกว่ากรรมฐาน นะกรรมฐานก็คือกรรมคือการกระทาฐานก็คือเอาการกระทาเป็นที่ตั้งระบบกรรมฐานเนี่ยมันมีหลายวิธีในประเทศไทยเรานะหลายคนก็คงเคยได้เรียนมาแล้วนะอาณาปณสติใช้ลมหายใจบ้างมีคำบริกรรมพุทโทสัมมาละหังยุบหนอพองหนอนะหลายคนคงจะคุ้นกับวิธีเหล่านั้นแต่มาที่วัดป่าสุกโตนี้ มันแตกไปเลยนะคนนี้มาใหม่เนี่ยจะจะงงงอยู่เอ๊ะมาให้มาเราทําอะไรเนี่ยมานั่งยกมือสร้างจังหวะลืมตาไม่หลับตาเราเคยฝึกแต่นั่งหลับตาจะได้สงบนะแต่นี้ลืมตายกมือยกไม้มันจะสงบได้ยังไงแลมันจะรู้จิตรู้ใจได้ยังไงเออเนี่มันเป็นคําถามเป็นข้อสงสัยสําหรับคนใหม่ ความสงสัยเนี่แหละบางทีมันก็ทําให้เราไม่อยากทํานะเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยนะก็บอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยอย่าเชื่อแต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธลองดูก่อนนะลองดูซิมันเป็นยังไงนะลองเคลื่อนลองไหวแล้วรู้สึกกับการเคลื่อนการไหวนะโดยเฉพาะ ก, การเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะนะที่หลวงพ่อเทียนท่านได้ประยุกต์ปรับมาจากสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ วิธีการนี้หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับวิธียุคหนอฟองหนอที่วัดมหาธาตุแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยไปแพร่หลายในประเทศลาวหลวงพ่เทียนไปเรียนรู้มาแล้วท่านก็เอามาปรับให้มันพเหมาะพอดีนะเกิดเป็นการเคลื่อนไหวส4สจังหวะขึ้นมาซึ่งมันก็เหมาะพอดีนะนอกจากการเดินการสร้างจังหวะก็มีการเดินจงกรม นะหลักการเดียวกันก็คือว่าให้ใจเนี่ยมีสติอยู่กับกายนะซึ่งอาจารย์ธงศิลได้สรุปเป็นสูตรสําเร็จนะที่เราได้ท่องกันแล้วก็เอาไปใช้โดยส่วนใหญ่ชีวิตของเราเรามักจะใจมันหลงไปกับความคิดหลงไปกับเรื่องราวหลงไปกับอารมณ์ไม่ได้อยู่เนื้อไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นการนี้มาเคลื่อนไหวก็ดีการที่มาเดินจงกรมก็ดีเนี่ยเพื่อเรียกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว คนบราณเขาเรียกเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัววันหนึ่งวันหนึ่งเราไปอยู่ในเรื่องราวต่างๆในการงานในครอบครัวในสังคมในการเมืองในเศรษฐกิจเยอะแยะเลยสิบแปดชั่วโมงที่เราอยู่ในโลกเป็นเรื่องข้างนอกซะเป็นส่วนใหญ่แต่เรามาอยู่ที่นี่สามวันห้าวันเนี่ยเราจะมาดูเรื่องข้างในเรื่องข้างนอกเราวางไว้ก่อนนะ ตรงนี้เพื่อจะได้มีเครื่องมือในการที่เราจะเอาไปใช้นะทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยการที่เรามาปลุกความรู้สึกตัวนะให้รู้ที่กายเคลื่อนไหวทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้าอีกมันจะเกิดความชํานาญในการที่จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเมื่อรู้ที่กายเคลื่อนไหวจากของหยาบหยาบเนี่ยมันจะไปรู้ของละเอียดเข้าไปอาการปวดอาการเมื่อย อาการร้อนอาการเย็นหรือบางคนที่มาเมื่อวานเนี่ยั้นเนื้อขั้นตัวปวดหัวขึ้นม า, น, านี่ก็เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายที่เขามาแสดงให้เราเรียนรู้ให้เราดูแต่ส่วนใหญ่เราไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่พอเราปวดเมื่อยเราก็เปลี่ยนอีโทตันทีเราไม่ได้เรียนรู้ความทุกข์ของกาย แล้วก็หนีมันเลื้อยไปนีพอปดวดหัว น, นิดหนึ่งเรากินยาเลยมันก็ไปกดประสาทจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะมันจะมีการเกิด <c oughs> แล้วก็มีการดับเป็นหายได้โดยธรรมชาติมันมีเว้นแต่ว่ามันมันหนักหนาซาจริงๆอันนั้นค่อยอายาสัยาเพราะนั้นใหม่อย่าพึ่งให้ดูความเกิดให้ดูความดับตรงเนี้ย ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่กี้นี้ที่เราบอกมีความเสื่อมมีความเกิดใช่ไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้จากการใช้ความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะการเรียนธรรมะการเรียนกายเรียนใจไม่ใช้ความคิดเลยนะใช้ความรู้สึกตัวทุกความคิดมันคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปก่อนเมื่อรู้กายเห็นความปวดความเมื่อย มันก็จะมีความพอใจไม่พอใจขึ้นมาอีกนี่ละเอียดก็ไปอีกเป็นนามธรรมแล้วนะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดความรู้สึกตัวตัวเดียวนี่แหละนะมันจะทะลุทะลวงเข้าไปเห็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆความพอใจความไม่พอใจความปกติเฉยๆเออนี่มันมีนะความพอใจไม่พอใจความปกติเฉยๆ นอกจากนั้นถ้าเราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยสติหรือความรู้สึกตัวมันจะไวขึ้นมันจะคมชัดขึ้นมันจะเลเอียดอ่อนขึ้นมันจะเห็นความคิดแต่ก่อนเนี่ยพอมันคิดเนี่ยเราก็คิดตามไปเช่นคิดถึงบ้านก็คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเรื่องราวที่บ้านยาวไปเลยแต่เมื่อเรามาฝึกความรู้สึกตัวพอมันคิดปุ๊บเราเริ่มรู้อ้าวมาอีกแล้ว แต่ก่อนคิดสิบเรื่องไม่ทันสักเรื่องเลยแต่เมื่อเราเริ่มฝึกเนี่ยเรื่องที่สิบเรารู้ทันอีกเก้าเรื่องไม่รู้ทำซ้าแล้วซ้าอีกเนี่ยนะเคลื่อนไหวเดินชงโกรมสร้างจังหวะในรูปแบบนี่แหละทำรูปแบบให้เยอะๆนะเดี๋ยวมันคิดเก้าเรื่องมันรู้เรื่องที่เก้าเรื่องที่สิบมันไม่มาและมันจะค่อยๆสั้นเข้าสั้นเข้าเรื่องที่แปดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่หกเรื่องที่ห้า ถ้าทำชำนาญแล้วนะคิดปุบรูปปั๊บคิดปุบรูปปั๊บตรงนี้แหละสติมันเริ่มทำงานอัตโนมัติแล้วมันจะแผ่ขยายไปในชีวิตประจำวันจากรูปแบบเนี่ยมันจะขยายไปเราเดินจากศาลาหอไตไปศาลาหน้ามันมีความคิดแว บ, บขึ้นมาอันเราลูทันละทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะตรงนี้เราสามารถที่จะนาไปเพระาะฉะนั้น สติปัฏฐานสี่หมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมเนี่ยนะมันจะได้เห็นชัดหมวดธรรมเนี่ยคําว่าธรรมเนี่ยมันพูดเราอาจจะไม่เข้าใจเอาง่ายๆก็คือนิวรธรรมที่เราเห็นชัดๆก่อนความง่วงนะเมื่อวานกลุ่มบุรีรัมย์นี่เจอเลยหนักๆเลยความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านนะความหงุดหงิดลาคาญนะจะนอนก็ไม่ได้นอน กำลังจะงีบดีๆอ่ะหลวงพ่อมาอีกแล้วแม่จะงีบสักหน่อยนะหุดหงิดนะอันเนี้ยเป็นธรรมะที่เขาแสดงออกมาเพราะฉะนั้นกำวมธรรมเนี่ยมันมีทั้งที่เป็นส่วนดีส่วนไม่ดีอกุศลธรรมกุศลธรรมนี่เป็นสิ่งที่แสดงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเพียงแค่ความรู้สึกตัวเนี่ยนะนะมันจะมีฐานที่เราจะดูคือกายเวทนาจิตธรรมเวทนานี้ไม่ใช่น่าสงสารนะ เวทนาคือความรู้สึกอะพอใจไม่พอใจหมวดจิตเนี่ยจิตมันไปดูไม่ได้หรอกแต่มันมีเงาของมันคือความคิดดูความคิดความคิดนี่แหละที่ทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์นะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราหมั่นทำเพียรทำอยู่เรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นจะเป็นความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีทิ้งไปก่อนกลับมารู้สึกตัว พอกลับมารู้สึกตัวเนี่ยใจมันก็ปกติเฉยๆที่เขาบอกถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่เราสวดไปตะ ก, กี้เนี่ยคําว่าถอนนี่เราไม่ได้ไปตั้งใจถอนอะไรเลยนะเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวมันถอนไปเองหรือการปล่อยการวางเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาเราทิ้งมันแล้วกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็คือปล่อยวางแนละ้การปล่อยวางเราต้องทําอย่างเนี้ยต้องฝึกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ไปคิดปล่อย โอ้ไม่เป็นไรลราปล่อยวางเธอไอ้นั่นมันไม่ทันแล้วมันจะไปคิดปล่อยไม่ได้การที่เราจะปล่อยจะวางเนี่ยมันต้องหัดก่อนหัดปล่อยหัดวางจากสิ่งที่ง่ายๆนะจากกายที่เคลื่อนที่ไหวจากใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยหัดปล่อยหัดวางตรงนี้ก่อนให้มันชํานาญทําซ้ําแล้วซ้ําอีกใหม่ๆมันก็จะเบื่อหน่อยนะอะไรก็ไม่รู้นั่งทําอยู่นั่นแหละเดินอยู่นั่นแหละเบื่อ นี่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิบัติใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนนะสติยังไม่มีเอาขันติไปก่อนขันติปรมังตโปติติกขาขันติเป็นตะบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมีขันติมีความเพียรเพียรขยันขยันที่จะเดินจงกรมสร้างจังหวะทำในรูปแบบเยอะๆนะะตั้งแต่ตื่นยันหลับ แต่แน่นอนนะเราไม่สามารถที่ทําได้ทั้งวันอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องว่างก็คือมีกิจกรรมไปกินข้าวไปบินทบาทบางคนทําครัวบางคนช่วยงานส่วนรวมตรงเนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยพยายามที่จะรู้สึกตัวกับสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้าแต่กี้นี้เราสาธยายมนไปแม้แต่การอุจจาระปัสสาวะก็ให้รู้สึกตัว อย่างเราเข้าห้องน้าเนี่ยเวลาอุจจาระบางคีหรือปัสสาวะเราคิดเรื่อ ง, งนุ้นคิดเรื่องนี้เบ่งนะตรงนี้มันก็ทำให้เกิดโลกได้เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆปล่อยไปตามธรรมดารับรู้มันนะกินอาหารเหมือนกันบางทีบางคนกินไปคุยไปนะตรงนี้ไม่มีสตลิละอาหารมันจะลงในหลอดอาหารหรือหลอดลมได้อันตราย เพราะนั้นสังเกตนะพระท่านฉันเนี่ยท่านจะเงียบนั่งฉันเคี้ยวให้ละเอียดนะนี่คือฝึกสติกับการกินกินทีละคําไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนี่นี่คือการฝึกสติการเดินนะเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้เรามีสติรู้อย่าไปเดินคุยกันเดินคุยกันเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวไปละเพราะนั้นที่นี้เนี่ยก็พยายามที่จะ สร้างสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็บรรยากาศรนะให้พวกเราเนี่ยได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเป็นการยกจิตนะจากคนขึ้นเป็นมนุษย์นะเรียกว่าทําให้จิตมันสูงขึ้นสูงจากกิเลสตัณหาอุปทานซึ่งเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะตกไปอยู่ในอบอาบายอาบายก็คือทางต่ำนั่นเองจะเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นสัตว์นรกนะเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราร้อนอกร้อนใจเราเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้ตัวเราทำอะไรไปโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเราก็มนึกเสียใจภายหลังเพราะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะเขาบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากแนะเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่คอยคุ้มครองจิตใจของเราให้เป็นปกติ นะจิตใจที่ปกตินี่แหละนะเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการทำการทำงานใช้ในการดำารงชีวิตนะไม่ตกไปอยู่ในจิตใจที่ไม่ปกตนะินี่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ปัญญาชนอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนเนาะยกจิตจากคนขึ้นเป็นมนุษย์ให้สมกับคำว่ามนุษย์คือผู้มีใจสูงนะซึ่งในท้ายที่สุดนี้อานะตมาก็ขอ นำเอากรอนของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเขียนไว้ดีว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นค น, นปิดท้ายเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษา เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสัน์จริงใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตน รีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชิญเอ่ยนในท้ายที่สุดนี้ก็ขอองังิงเอากุณของพระศีรัตรนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมประสงค์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสี่สัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละ น, นี่ยเรามีพระพุทธอยู่ในตัวเราแล้วะ พระธรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาให้เราเห็นนะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่แนวหนาจไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราและพระสงฆนะ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการที่เรามาร่วมกันเจริญสตินะนี่คือพระสงฆ์ด้วยความเพียรความพยายามความอดทนความตั้งใจความศรัทธากนะอให้ทุกท่านเนี่ยได้ประสบพบกับ จิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่เป็นปกติซึ่งเป็นความสุขเกษมสารที่มีอยู่แล้วในเราทุกคนในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร